สองปริโพธาปริโพธกะถาว่าด้วยปริพโธดและอปริพโธดปริพโธดสองอย่าง3ามยหภิกษุทั้งหลายกถินมีปริพโธดสองอย่างมีอปริพโธดสองอย่างภิกษุทั้งหลายปริพโธดสองอย่างคือหนึ่ง อาวาสะปริพภ o ความกังวลในอาวาสเพราะคิดจะกลับมาสองจีวระปริพภ o ความกังวลในจีวรเพราะยังไม่ได้ทำจีวรหรือทำยังไม่เสร็จภิกษุทั้งหลายอาวาสะปริพภ o คือในกรณีนี้ภิกษุยังอยู่ในอาวาสนั้น หรือหลีกไปแต่ผูกใจว่าจะกลับอย่างนี้ชื่อว่าอาวาสะปริพภ o ภิกษุทั้งหลายจีวระปริพภ o คือในกรณีนี้ภิกษุยังไม่ได้ทำจีวรหรือทำจีวรค้างไว้หรือความหวังว่าจะได้จีวรยังไม่สิ้นสุดลง อย่างนี้ชื่อว่าจีวระปริพธ์ภิกษุทั้งหลายกะถินมีปริโธิสองอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายกะถินมีอปริโธิสองอย่างคือหนึ่งอาวาสอปริพธ์ไม่มีความกังวลในอาวาสสองจีวระ อริโพธไม่มีความกังวลในจีวรภิกษุทั้งหลายอาวาสอปริโพธคือในกรณีนี้ภิกษุหลีกไปจากอาวาสนั้นสละคายปล่อยวางไม่ผูกใจคิดว่าจะไม่กลับมาอย่างนี้ชื่อว่า อาวาสะอะปาิโพธภิกษุทั้งหลายจีวระอะปาิโพธคือในกรณีนี้ภิกษุทําจีวรเสร็จแล้วจีวรเสียหายสูญหายหรือถูกไฟไหม้หรือความหวังว่าจะได้จีวรสิ้นสุดลงอย่างนี้ชื่อว่า กีวระอะปาิโพธภิกษุทั้งหลายกถินะอะปาริโพธสองอย่างนี้แลปริโพทาปริโพทะกถาจบกถินะขันทกะที่เจ็ดจบ เรื่องในขันธกะนี้มี12เรื่องและไปยานมุขะ1 8เรื่อง